อันสาธุชนพุตตมริษศททั้งหลายสําหรับวันนี้ก็คงจะพูดกันเรื่องอสุปปสัญธยาและเรื่องอสุ ป, ปรกรรมฐานต่อไปอีกแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องอสุ ป, ปรกรรมฐานก็ขอทวนความทรงจําสักนิดหนึ่งเพรว่าปัญหาต่างๆในการปฏิบัติพระกรรมฐานไม่เกิดขึ้นเรื่อยๆในวัดของเรา คือมีความสงสัยในเรื่องที่ไม่ควรจะสงสัยอ้อย่างนี้ผมไม่ไม่ตอบให้ใครและก็ไม่บอกให้ใครทราบไอ้เรื่องที่ไม่ควร น, นี่รู้ว่าการปฏิบัติเรามีหลักมีเกณฑ์มีกาหนดเป็นเครื่องรู้การใช้ลมเน่ารีดเน่ารอยอย่างนี้เป็นเรื่องที่ น่าก็จะถือว่าเป็นขั้นปะพประมะที่สอนไม่ได้จนั้นขอท่านหลายเมื่อฟังไปจงใช้ปัญญาคิดและรายการที่สองมีบางคนมักชอบจะมาถามว่าการปฏิบัติอย่างนี้จะสำเร็จมักผลอย่างนั้นอย่างนี้ไหมเรื่องนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดา คือพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เคยบอกใครเป็นในเพียงองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าอาคาตาโรตถาคาตาตถาคตเป็นในเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อจะได้ดีและได้เร็วมันก็เป็นเรื่องของผู้รับฟังและผู้ปฏิบัติฉะนั้นตอนนี้ไปจะแนะนำหัวข้อไว้เพื่อการทรงจำ แล้วก็จงจำกันไว้อย่าลืมความจริงศึกษากันมานะศึกษากันมามากแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้สติสมัมปชัญญะเพื่อเครื่องจดจำเมื่อความมุ่งหมายเพื่อกรรมฐ า, านเนี่ยเขาทำกันเพื่ออะไร นี่ตอนนี้ไปจงจำกันไห้ดีว่าการปฏิบัติกรรมฐานเราต้องการปดะโซนดาปฏิผลประสกิธาคามีผลอนาคามีผลและอนาตผลนี่ความมุ่งหมายมีเท่านี้สำหรับอารมณ์แห่งกรรมฐานที่เกิดขึ้นให้สนใจตามนี้อารมณ์อย่างอื่นจงอย่าสนใจ ต้องมีความสนใจว่าในสัญญาณสามเบื้องตนเพื่อหนึ่งสกายาทิฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราแล้ว เ, เราเป็นของร่างกายร่างกายเป็นของเราหรือเปล่าถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันยังเป็นเราเป็นของเราแล้วเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา ยังมีความห่วงใยในร่างกายถือว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติเป็นที่น่าเสียดนนร่างกายอย่างนี้ชีอว่าเรายังไม่ได้อะไรเลยในการเจริญพระกรรมฐานถ้าความรู้สึกของเรามีว่าความตายมันเป็นของธรรมดาเราเกิดมาอย่างนี้มันมาเกิดเพื่อตาย คือเมื่อความเกิดมีมาแล้วแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะร่วมพ้นความแก่ไปได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะร่วมพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไปได้เราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความตายไปได้ เราจะต้องชัดไราจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเราไม่มีโอกาสที่ยึดถือของรักของชอบใจไว้เป็นเราเป็นของเราตลอดกาลตลอดสมัยเรามีกรรมเป็นของตนทําความดีจะได้ดีทําความชั่วจะมีผลเป็นทุก์คือทําความดีมีผลเป็นสขมีความชั่วทําผลเป็นทุกข์และมีผลเป็นทุก แล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเรานี่เดินทางเข้าไปหาความตายทุกวันในเมื่อความตายมันจะมาถึงเราเราจะต้องหาที่พึ่งอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ต้องการตกอบอายอยู่พรคือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติเรฉานการที่เราจะไม่ตกอบอายอูมิได้ก็คือหนึ่งเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้า สองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระอริยสงฆ์แล้วก็ไม่สงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศินห้าเราจะมีสินห้าเป็นปกติเราจะไม่ยอมละเมิดสินห้าในเจตนาในการเดินไปไม่เห็นสัตว์ไม่เห็นมดไม่เห็นปลวกนี่มันเหยียบตายนี่มันไม่บาป ปเป็นแล้วเราก็ตงยัง้งถ้ายั้งไม่ทันก็ไม่มีเจตนาจะฆ่ามมันก็ไม่เป็นไรเป็นอันว่าเราจะมีกำลังใจทรงสินห้าให้บริสุทธิ์เนื่อกจากนั้นเมอารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่จุดนี้เป็นจุดแรกในการเจริญพระกรรมฐานที่เราต้องการคือพระโสดาบันฉะนั้นอารมณ์อย่างอื่นที่ไม่เกิดขึ้นจงปล่อยมันไป เอากําลังใจของเราจับไว้ในจุดนี้อย่าปล่อยจิตให้มันยุ่งฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นโดยมากไม่จะมาถามกันหลายหลายที่ว่าคนประจําบ้างคนไม่ประจําบ้างเขามาถามกันอยู่เสมอว่าการอย่างนี้เกิดขึ้นาการอย่างนั่นเกิดขึ้นมันเป็นอะไรอันนี้เบื่อที่จะฟัง คือไม่อยากจะรับฟังและไม่อยากจะตอบไม่อยากจะพูดด้วยทั้งนี้พราอะไรเพราะว่าสอนกันมาพอแต่ว่ามีนิสัยไม่จาถ้าสอนกันอย่างนี้ยังมีนิสัยไม่จําแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ดีกันจงจาไว้ว่าการเจริญพระกรรมฐ า, านะเรามุ่งหมายอย่างเดียวคือความเป็นพระอริยเจ้า ไอภาพต่างๆที่เห็นอารมณ์ต่างๆที่ฝันอาการต่างๆนี่เกิดมามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะเรามองจิตของเราไว้ไว่าจิตของเราเวลานี้นะ่ะเราลืมความตายหรือเปล่ามีความประมาทในชีวิตไหมมีความเคารพในพระธรรมตรัยแน่นอนหรือเปล่ามีศีลห้าบริสุทธิ์ไหม ไมีอารมณ์รักพณิาพาหรือเปล่าเอาจิตจับมันไว้แค่นี้พอมันจะเร่งกันจริงๆเข้าแค่นี้พอไอเรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามา้จะไปยุ่งมันนักเทาจิตไปยุ่งอาการต่างๆทางร่างกายบ้างอาการต่างๆทามาทางด้านจิตใจบ้างก็ยังถือว่าเป็นการถือมองคลเปลี่ยนข่าวยังไม่ได้อะไรเลยสักนิดหนึ่งในพระพุทธศาสนา มีเป็นจุดแรกที่เราต้องการในบระการที่สองมารอลมจิตทรงแบบนี้แล้วทำจิตใหเห็นโทษแห่งโลภะ ค, คือความโลภเห็นโทษโทสะ ข, อขอือความโกรธเห็นโทษก็โมหะคือความหลงนี่อธิบายกันมาแล้วเยอะแยะจนกท่านจิตใจของเราบรรเทาความโลภคือความทะเยอทยานในการอยากแย่รวยน้อยลงไป อารมณ์โกรธกระทบกระทั่งไม่ชอบใจน้อยลงไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันมก็มีมั่งกันหลงคิดว่าชีวิตของเราจะทรงอยู่ลูกของเราหลานของเราเหลีงของเราทรัพย์สินต่างๆมันเป็นเราเป็นของเราเราไม่อยากจะจากมันอันนี้คลายไปถือว่าการเกิดการตายเป็นของธรรมดาเราไม่สามารถจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลีล้ยงหลานเลี้ยงเลน้ยกษาทรัพย์สินไม่ได้ตลอดการตลอดสมัย เมื่อเวลามีชีวิตเราก็ต้องใช้เราก็ปกครองหาเลี้ยงเราตายแล้วก่อนแล้วก่อนไปเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคิดว่าจิตของเรานี้เราต้องการอย่างเดียวคือพ้นจากขันห้าใอ้ที่เรื่องกรรเรียกวรมร่างกายไม่ต้องการเยวียนไหวาตายเกิดในวัตตะตรงสารเรามีพระนิพพานเป็นที่ไป กำลังใจของเรามียการให้อภัยแก่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่าพยายามคือให้อภัยกับคนที่ทําความผิดเว้นไว้แต่ผิดระเบียบวินัยผิดระเบียบวินัยกดข้อบังคับอย่างนี้ต้องลงโทษทันทีเพราะว่าแม่ตาองค์สมเด็จพระจีนศรีก็ทําอย่างนั้นที่ทําอย่างนั้นก็เพราะว่าต้องลงโทษเพราะาต้องการให้คนนั้นเป็นคนดีไม่ใช่คนเลว ในการอย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระสิกขาคามีถ้าจิตของเราหมดเจรความกำนังยินดีในระหว่างเพศเห็นเพศตรงกันข้ามหมดความรู้สึกเห็นหรือไม่เห็นความรู้สึกในระหว่างเพศมันก็ไม่มีอารมณ์ขอเราหมดเจริปฏิคาความกระทบกระทั้งใจคือความไม่ชอบใจอนุจใจให้เกิดความโกรธไม่มีสำหรับเรา อาการอย่างนี้แปลการของพระอนาคามีแล้วก็จิตขุงเราไม่หลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานและรูปฌานไม่มีมานะถือตัวถือตนจิตไม่ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นปกติมีความรู้สึกจุดเสมอว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เฉลาพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์ เรานำเปนทุกครั้งความตายเป็นทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการความเกิด อ, อีกความรู้สึกใดๆไม่มีการกระทบกระทัทง่งจิตไม่มีเมียร่มเบาใครจะมาดีใครจะมาเร็วอย่างไรก็รู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาไม่สนใจกับโลกิยาวิสัยทั้งหมดอย่างนี้เชื่อว่าเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ฉะนั้นขอทุกท่านที่สงสัยก็ดี หรือว่ายังไม่สงสัยก็ดีโปรดจําคํานี้ไว้แล้วจิตของเราตั้งไว้เฉพาะอารมณ์สี่ขั้นนี้เท่านั้นอารมณ์อย่างอื่นมันจะมาแบบไหนนะ่าช่างมันจะมาไปนั่งตอบคําถามคําสงสัยกันอยู่นี่ก็ชักจะเบื่อ เ, อ เ, อ เ, อเต็มทีสอนกันขนาดนี้เรื่องสัญญาติดเนือกันผ่า น, นมาไม่รู้กี่ร้อยครั้ง มันน่าจะจําน่าจะจิตเข้าไปจับสอนทีไรก็ตามต้องจะต้องสอนเกี่ยวกับสังโยชน์ทุกครั้งแต่ก็ยังไม่มีความจํากันนี่สนแสดงว่าเร็วเต็มทีอย่างนี้แค่ไม่ไหวแล้วสนิมเป็น อ, น อ, นอมมันว่าต่อแต่นี้ไปจงจําไม่ว่าการเจริญเป็กรรมฐานที่สอนกันมาแะจะเจาะกันอยูอ่เฉพาะสังโยชนิสิบการนี้ไม่รู้กี่วาระ ถ้าเอาจิตจับไว้เฉพาะตรงนั้นจะไปยุ่งอะไรกับไออารมณ์ต่างๆที่มันไม่เข้าเรื่อ ง, ของเข้าราวนีการบรรลุหรือไม่บรรลุได้หรือไม่ได้นี่มันอยู่ที่เราจะไป่ได้นั่งถามชาวบ้านชาวเมืองเขาถ้าเราขี้เกียจเราเป็นคนไม่ดีจะไปบอกว่าบรรลุมันก็ไม่ได้ถ้าคนเ้าดีจะบอกว่าไม่บรรลุมันก็ไม่ได้ มันขึ้นกับเราโดยเฉพาะเท่านั้นจะมีผลดีหรือว่าผลชั่วจะได้ขอท่านอธิบายจริญนพระกรรมฐานที่พูดมามากมายแล้วไม่ได้มีความประสงค์อะไรต้องการมีความประสงค์อย่างเดียวจิตจับเฉพาะจุดเหตุทั้ง เ, เหตุสี่รการคือว่าจุดสี่จุดที่กล่าวมานี้เท่านั้นอันดับแรกคนดูซิก่อนว่าเราเป็นประสงน์ดามันแล้วหรือยัง จับปันแค่นี้อารมณ์อย่างอื่นจะไปยุ่งมันทําไมนี่ความดีมันอยู่แค่นี้ความประสงค์มันอยู่อันนี้ฟังกันก็ฟังกันไม่รู้วันละเท่าไหร่ฟังกันเป็นร้อยเป็นพันครั้งนี้ไม่มีความเข้าใจนี่มันก็เสร็จอย่าลืมนะอย่าลืมว่าผู้สอนเนี่ยไม่ได้สนใจกับใครเป็นกรณีพิเศษ อารมสอนแบบนี้แต่ใครสงสัยเข้ามาจะโดนหนักทุกรายที่ว่ามีตาเป็นตากระทูมีหูเป็นหูกระทะตามีแล้วก็ดูไม่เห็นหูมีแล้วก็ฟังไม่ได้ยินจงจำไว้ว่าการปฏิบัติเพืกรรมฐานดูกฎแห่งพระโสดาบันจำมันไว้เท่านั้น สนใจไว้เฉพาะเท่านั้นว่าเราต้องการเป็นบาโสดาบันอารมณ์เอเื่นอย่าไปยุ่งเมื่ออารมณ์เข้าถึงบาโสดาบันแล้วเราต้องก้าวเข้าไปหาพระสีธาคามีเมื่อจบแห่งกิดไว้สิธาคามีแล้วเราต้องก้าวเข้าไปถึงพระนาคามียายนั่นมุ่งหน้าเข้าไปสู่ความเป็นอรหรันเท่านี้มีเท่านี้เอง สอนมาต้องนี่าทยรีเจียนนี้นเป็นอย่างสีก็ต้องใช้รถใส่แล้วแบกกันไม่ไหวแล้วต่อที่นี้ไปขอมันดาท่านทางไหลจงรับฟังเรื่องราวของอสุปสัญญาและสุภกรรมฐานตัวอย่างเมื่อคือนที่แล้วได้พูดมาแล้วก็สสำหรับพระที่ไปรักนางสิริมา เมืององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบบรรณาสิริมาตายสมเด็จพระจอมไตรจึงให้ประกาศบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายว่าเวลานี้เราจะไปเยี่ยมนาสิริมาพระที่หลงรักนาสิริมาก็ดีใจว่าจะได้เห็นหน้านาสิริมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปพบนาสิริมาตาย แล้วก็องสมเด็จพระจอมไตรก็สอนทิมบายตามที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นคือเมื่อวันที่แล้วที่เราก็มานั่งนึกถึงตัวของเรานึกตรงไหนถ้าเรายังมีความรักในเพศเราก็มานั่งนึกว่าร่างกายของคนคนดีร่างกายของใส่คนดีมันมีแต่ความสุขปรกบ เนียสุภกรรมฐานเขาคิดอย่างนี้นะยังไม่ตายภายในมีทั้งขี้มีทั้งเหี่ยวมีทั้งน้าเลือดน้าเหลืองน้าหนองมานสะอาดแล้า ว, ว่ามันสุขภพนั่งนึกมันดูตรงนี้ว่ามันสะอาดแลสะสุขภพเมื่อตายไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่ค้างค้างอยู่ภายในมันไหลออกมามันสะอาดแลสะสุกภพดูกันจุดนี้ แล้ววันนี้คุณนรันบอกว่าสงสัยนิดหนึ่งอันนี้น่าบอกถ้าสงสัยแบบนี้เรีย๋ยวสงสัยแบบคนฉลาดสงสัยว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารก้บคนที่เป็นโรคที่ดดินดวงจมูกไม่คนพิจารณาสุภกรรมฐานเพรว่าเมื่อคืนนี้ผมอาจจะพูดไม่ชัดเพื่อฟังไม่ถนัดแต่ความจริงนะถรามาเลยห้าม ว่าการที่จะเข้าไปจะพิจารณาสุภะคือคนตายนั้นไม่ได้ห้ามแต่ว่าอยากเข้าไปใกล้ศพแล้วการพิจารณาคนตายในยเขายืนใกล้ศพยืนให้กลิ่นเหม็นมันกระทบจมกูกแล้วก็มองดูภาพสีสันวรนละของคนตายตายสองวันสองวันมีสีเขียววันที่สามขึ้นอืดเริ่มขึ้น หลังจากนั้นไปขึ้นปริ่มเต็มที่น้ำเหลืองไหลาตาพิ้นลิ้นจุกมีหนังแย่แตกกับแตกออกไปนี่เขาก็พิจารณาว่าโอนหนอร่างกายของคนเราเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรดีที่เรามีความหลงไหลไฟฝันไปรักคนนั้นไปชอบคนนี้ในความจริงมันเป็นของสกปรกมันเป็นขอไม่ดี ฉะนั้นคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารกนดีคนที่เป็นโรคริดสินดวงจมกูกคนดีทีเจรินานได้ทะโยไกลไลอย่าให้เข้าไปใกล้ศพอย่ากระทบกลิ่นเหมน็นถ้าเข้าไปกระทบกลิ่นบริเวณเหม็นนั่นก็ไอท้องเนี่ยมันจะกำเริบ้าการที่ท้องไม่ดีอยู่แล้วมันจะกำเริบแล้วแบบโรคริดสินดวงจมกูกกระทบกลิ่นเหม็นเข้าโรคริดสินดวงจมกูกจะกำเริบ ถ้าจะพิจรารณาก็อยู่ใกลไกลกลิ่นถ้ามันจะได้กลิ่นมักเขาได้กลิ่นแต่ น, น้อยจะไม่ควรจะได้กลิ่นเลยในมิถิลนั้น่องคนมีร่างกายดีก็เหมือนกันองสมเด็จพระสุทนทรให้ยืนเหนือลมแต่เฉียงเฉียงอย่ายืนตรงรมที่พุ่งกึ้มาหาถูกตัวคนตายถ้าทำแบบนั้นแนละ้วก็อาการทางกลิ่นมันจะย้อนกลับเข้าไปหาเรา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระหรือว่าบุรุดาคารวะที่ปฏิบัติกรรมฐานสร้างความทรมานกายเพียงเพียงนั้นพระองค์สมเด็จพระทรงทันทรงมีความรู้เรื่องอนามัยดีสมเด็จพระจีเนศสีให้ยืนเฉียงเฉียงลมยืนด้านเหนือลมแล้วก็ยืนเฉียงเฉียงเมื่อลมมาถูกกลิ่นศพก็พากลิ่นศพลอยไปทางด้านใต้ลม เราจะกระทบเปลี่นบ้างก็นิดหน่อยเท่านั้นเป็นอนว่าข้อนี้เขาให้เข้าใจอันนี้นต่อไปเวลาพิจารณาศพถ้าพิจารณาศพแล้วให้จําภาพศพจําให้ดีนะว่าจําภาพศพนะให้ติตาว่าน้าเหลืองมันไหลตรงไหนหนังมันแตกตรงไหน ทราบผิวเอสด่างกายเขาศบมีสภาพยังไงจำให้ติดตาตอนนี้เป็นกะสินแล้วนะพอจำให้ติดตาจำให้จิตใจกลับมาถึงที่ขางตนก็มานั่งนึกถึงภาพของซากศพนึกถึงภาพที่เห็นนั่นให้มันติดใจนึกขึ้นมาแม้ไร้ปราศกฏมนั้น เอามาเทียบกับร่างกายของเราว่าร่างกายของเราไม่ช้ามันก็มีสภาพแบบนี้และร่างกายของบุคคลอื่นที่เรารักที่เราเห็นว่าสวยสดประทมันก็มีสภาพแบบเดียวกันถ้ามันน่ารักตรงไหนใจมันก็เบือ่อเขาเรียกว่า น, นิพิทายานความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นอนเรื่องการเห็นพิจารณาส้างศพให้ติดใจเนี่ยจําเป็นอย่างยิ่ง มีความจำเป็นเวลานี้โครงกระดูกมีอยู่ที่อาคารกองทุนให้อยากจะ ร, ร่างกายของเรามีอะไรเป็นแกงก็มาดูโครงกระดูกพิจรนารณาได้ว่ามันสวยตรงไหนบ้างนี่โครงของร่างกายให้มันติดตาแล้วก็ติดใจมองเห็นคนมองเห็นสัตว์มองเห็นเรามองเห็นเขา ให้มีความรู้สึกว่าภาพคนคนนั้นก็คือแท่งศพที่เราเห็นให้มีความรู้สึกจริงใจแบบนั้นเห็นคนปักนึนกว่าเป็นศพมีภาพขึ้นเอือดสิ้นลมปรานแบบนั้นถ้าจะเราเจริญกายเจตาโนบสติกรรมฐานเห็นคนพับภายนอกเพ็นเสือ้อเห็นผ้าที่ปิดบงังเห็นข้างในทันที รู้สึกว่าร่างกายภายในร่างกายของบอคุคคลคนนี้แสนจะสกปรกไม่มีการสรงตัวเมื่อจิตกำหนดอารมณ์อย่างนี้สรงตัวดีแล้วให้ความเบื่อนหน่ายคือเห็นคนเป็นศพไม่ยด้เกิดขึ้นไม่ต้องไปต้องไปซ้อนกาลังใจให้มันมีความรู้สึกอย่างนั้นมันจะมีความรู้สึกของมันขึ้นมาทันทีทันใด เมื่อโอนเห็นหน้ามะไรเป็นศพมานั้นเมื่อเห็นคนเป็นศพความรักในระหว่างเพศมัะเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าเห็นคนเป็นสวมอย่างพิจารณาในกายคตาสติกรรมฐานเห็นหน้าคนพับเห็นผิวคนเห็นผ้าที่แต่งตัวพอเห็นก็เดินมาพับมีความรู้สึกทันทีรู้สึกว่าข้างในมันเป็นสวมเต็มไปด้วความสุขสรบ มีความรักมันจะเกิดขึ้นได้จากไหมจงจำมาให้ดีนะว่าเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เมื่อปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วก็มองต่อไปเ <c oughs> ว่าร่างกายของคนศพนี้นอกจากจะเน่าแล้วมันเป็นแล้วมันตายเวลานี้แหละเขาเป็นคนเป็นแล้วเขาเป็นคนตายก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนตาย แในเมื่อเขาเป็นคนตายเรามีความต้องการในคนตายไหมเน่าเน่าเหมืนเนหมือนอย่างที่เราต้องการไหมเราไม่ต้องการแล้วคนที่ตายไปแล้วมีใครบ้างต้องการไปเป็นสมบัติมันก็ไม่มีแล้วคนที่ตายนี้เดิมทีเขามีสามีไหมเขามีพมัญญาไหมเขามีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีญาติมีพวกมีพ้องไหมเขามีสมบัติพระสถานหรือเปล่า แล้วก็ต้องทราบว่าคนที่เกิดมานั้ไม่มีพ่อไม่มีแ ม, ไ ม, ม, แม่ไม่มีเขาต้องมีแล้วก็ต้องมีญาติทราบสินมีไม่มากก็มีน้อยถึงแม้ว่าญาติจกวันนับบิพภะ ก, ก็ยังมีของใช้ของสอยเล็กๆห น, น่อยน้อยถือว่ามีสมบัติเราก็มานั่งนึกว่าคนคนนี้เขาแบบอะไรไปได้บ้างเมื่อเวลาที่เขาตายแล้วก็สําหรับเราล่ะถ้าตายอย่างเขาเราจะนําอะไรไปได้บ้าง ทรัพย์สินทั้งหลายที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี่เรามีจิตยึดถือหงแหนว่านั่นมันเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ทําไมล่ะเ ว, วลาที่ตายไปแล้วเขาก็มีความรู้สึกเช่นเราทําไมเขาไม่แบกไปแม้แต่ร่างกายของเรานี้เป็นทรัพย์สินที่เรามีความรักหงแหนมากที่สุดเงินหรือทองที่เรารับ มันสูญเสียไปเราจะรู้สึกเช่นใดบ้างแต่ไม่ช้ามันก็ใครเพราะร่างกายของเรานี้ใครแต่ใครต้องไม่ได้เกลียดโกรธมากแม้แต่ใครตินิดเดียวว่าผมไม่ดีผิวไม่สวยหน้าไม่งามยิ้มไม่เก๋เพียงแค่นี้เราก็โกรธโกรธเพราะอะไรเพราะถือว่าไอ้ร่างกายของเราในมันดี นี่สิ่งที่ทั้งทั้งหมดขึ้นชื่อว่าเป็นสมบัติที่เราจะคิดว่ามีความสําคัญที่สุดก็คือร่างกายในเวลานี้นี่เขาตายร่างกายเขาเป็นยางไงแล้วเมื่อตายแล้วชีวิตจิตใจของเขาไปไหนตายแล้วมันมีสภาพไม่สูญนี่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องมีความรู้สึกแบบนี้ถ้ากรรมที่เป็นกุศลนี่เขาตายแล้วก็าไปสวรรค์ไปพรหมไปนิพพาน ถ้าอารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามาสร้งใจเขาก็ไปอบายภูมิไปเกิดเป็นสัตว์นโกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนื่อยเรายังมีความต้องการร่างกายซึ่งเป็นปัจจัยของความทุกข์เรายังมีความต้องการร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกเรายังมีความต้องกายที่มันจะต้องตายคือเราคือจิตจะต้องจากจากมันในฐานะที่เราเป็นมิจฉี มันต้องการกินเราให้กินมันต้องการนอนไม่ให้ น, นอนต้องการเครื่องแต่งตัวเราให้ต้องการดูมหอหิเศเราก็พาไปต้องการเย็นเราหาเย็นมาให้แล้วต้องการร้อนเราหาร้อนมาให้แต่ว่าเจ้าร่างกายได้มันมีความกระตันอยู่รู้คุณของเราบ้างหรือเปล่ามันรู้ไหมเราไม่ต้องการให้มันป่วยมันป่วยไหม เราไม่ต้องการให้มงแก่มงแก่ไหมเราไม่ต้องการให้มันตายถ้ามันตายไหมตายหรือไม่ตายดูตัวอย่างจากศพในเมื่อมันไม่เชื่อเราอย่างนี้เรายังมีความพอใจมันอีกหรือมันเป็นของไม่ดีอย่างนี้สำหรับวัสุุกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญยิ่งอันหนึ่ง ธรรดายธรรมพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาปีสุสมเณรถ้าทรงอารมณ์ในภาพของอสุภกรรมฐานให้เป็นฌานเออติดใจอยู่เสมอนึกถึงก็มามาไรเห็นภาพนั้นอยู่เสมอเมื่อเห็นภาพนั้นแล้วก็มาเทีบกับร่างกายคิดว่าร่างกายของเราก็กกเป็นภาพนั้นพิจรารณาร่างกายของเราเมื่อไรเห็นมันเน่ามันพองมันเลอะเอทอะดำเหลืองไหลยอยู่เสมอไม่สิ้นลมปราณ มันเน่าแล้วก็แถมตายด้วยเห็นคนอื่นคนใดก็าตามทีมีมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่เห็นพัพความจริงเขาเดินได้แต่ในใจรู้สึกว่าแหมนิวซากศพเคลื่อนที่เขามาใกล้เราอยู่แล้วมันเป็นภาพเป็นร่างกายที่น่าเกลียรที่สุดอร บ, บันดาท่านพุะธวรีษัตเวลามจะเลย เป็นนั้นว่าถ้าจิตของท่านพูนใดเจริญพระกรรมฐานทรงกําลังใจเป็นฌานอย่างนี้คือเอาวสุปคือส้างศพนั้นมาเป็นกสินให้มันทรงตัวและจิตของท่านมันจะระ ง, งับจากกามาชันทะกทันทีจะไม่มีความรู้สึกในระหว่างเพศแต่ถึงว่ายังเป็นฌานโลกียังเอดีไม่ได้แต่ว่าใกล้จะดีแล้ว อะเวลานี้มันก็นหมดสลานีขอยุติวัตถเพียงเท่านี้ต่อเทนี้ไปเขามรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตในมันทรงในดิยาบทที่ท่านต้องการพิจารณาร่างกายตามสภาวะาขรงส้ากสอบดี หรือว่ากำลังใจของท่านบรรดาเข้าถึงอริยมรรคอริยผลก็ขอบันดาท่านพุะตุสสาสนิกชนปฏิบัติตามนั้นจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสง์ควรจะเลิกสวด